เพราะว่าอะไรเพราะมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังต้องต้องกินต้องนอนต้องทายต้องเจ็บป่วยคุณว่ามันสบายนักหรือถึงงั้นนะอันตรายังจําได้พ่อท่านยังบอกโอ้โหถ้าหัวล้านได้เนี่ยไม่ต้องมาคอยโป่งผมสบายอีกเรื่องละถ้าหัวล้านได้นะไม่ต้องปงผมเนี่ยนั่นแหละคุณดูที่นี่ยแค่จะต้องมาโกนหัวอยู่เรื่อยโกนหัวอยู่เรื่อยเนี่ยโธ ยังต้องเปืองมีโคนเบอรเผลอโกนไม่ยังบาดหัวนะทําให้เป็นแผลเลือดออกอีกโอ้ไม่ต้องโกนได้ยิ่งสบายใหญ่คือหัวล้านเลยนะไม่ต้องโกนเนี่ยแล้วบอกตรงๆไม่ต้องกินได้ก็ยิ่งสบายถ้ามันไม่ต้องกินเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันไม่กินไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่กินเป็นตายก็เลยจําเป็นต้องกินก็เลยจําเป็นต้องกินให้เอาให้มีชีวิตอยู่ไปถึงอะไรอ่ะ อายุแค่ไหนตามวิบากมันจบแค่ไหนก็แค่นั้นพระพระอรหันต์ท่านเอาจบแค่นั้นแหละแต่บอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะท่านจะเอาพระโพ ธ, ธิสัตว์จะท่านจะเอาเป็นพุทธเจ้าอ่ะท่านถึงไม่ยอมจบมง่ายๆอายุแค่นี้ท่านมันไม่พอแค่นี้นะสมมุติว่าอายุเจ็ดสิบสองไม่พอต้องเอาสักร้อยห้าสิบ ทางการจิตมันต่างกันอยู่ไปลําบากขึ้นกว่าเดิมนะคุณต้องหนักขึ้นต้องเหนื่อยขึ้นโอ้โหเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องอะไรอะ่ะต้องหมุนหัวสมองไปอีกอีกตั้งกี่สิบปีอะ่ะเพิ่มเข้าไปอีกอะ่ะจริงจริงแล้วหนักเหนื่อยขึ้นอาจามาถึงบอกว่าโอ้โหถ้าแค่อรหันเนี่ยจบเร็วเท่าไหร่สบายเท่านั้นนะกูเนยเพราะฉะนั้นพยายาม นะพยายามถ้าถ้าพวกเราเนี่ยศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจได้คราวนี้นะผู้กลับมาในระดับของพวกเราเองที่ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะกิเลส ต, ตัวไหนที่เรามีอยู่อะที่ทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ทุกวันนี้พยายามเลยไปพิจารณาสมมติกิเลส ต, ตัวโกรธอย่างเงี้ยใครยังโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายถือสาอะไรง่ายเนี่ย ถ้าคุณรู้สัจจะนี้จริงคุณเข้าใจทุกอริยสัจจริงแล้วทุกครั้งที่โกรธเนี่ยคุณไม่โกรธคนอื่นหรอกคุณจะโกรธตัวเองอันตมาจะบอกให้รู้คุณจะไม่มัวเสียเวลาไปโกรธคนอื่นเลยเพราะคุณรู้ว่าอะไรเวลากโกรธขึ้นมาเนี่ยใครซวยก่อนเออแล้วใครเจ็บก่อนก็เราทั้งนั้นแหละวันถ้าคุณเข้าถึงสภาวะธรรมของ ทุกอริยสัตว์นี่ชัดเจนถูกต้องแล้วทุกครั้งที่คุณเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยอาตมาถึงบอกเจ้าเลยว่าโอ้โหมี่จะโกรธตัวเองก่อนเลยคําพูดแรกเลยที่จะเกิดขึ้นคือโอ้โหนี่เราโกรธอู่แล้วเหรอนี่ยคําพูดแรกเลยมันจะมาหาคุณทันทีเลยมันจะไม่ไม่ไปนึกถึงเขาอะนะไอ้นุ่นทําไมทํางงททอย่างนั้นทําไมทําอย่างนี้ไม่เลยคุณเพราะ มันไม่เข้าเรื่องไม่เข้าท่าแล้วเสียเวลาเลยทั้งทั้งสิ้นเลยนะสภาวะจิตที่จะเกิดก่อนแล้วโอ้โหตายแล้วเราโกรธได้ยังไงเนี่ยเราโกรธขึ้นมาอีกอีกแล้วหรือนี่นี่เราพยายามที่จะให้มันเลิกโกรธแล้วไงถ้าไมมันยังเกิดขึ้นอนาจารถึงบอกจะไม่เสียเวลาไปมองคนอื่นเขาเลยว่าทำไมเขางงทาอย่างนั้นทําไมเขาทาอย่างนี้ไม่เลยนะคุณ พูดตัวโกรนี่ก่อนเพราะว่าคุณจะเห็นชัดแต่ขนาดอย่างเงี้ยอาตมาก็บอกแล้วขนาดอย่างเงี้ยโกรขึ้นมาทีไรก็สมควรแล้วที่เราจะต้องโกรธเพราะไอ้นี่มันทำไม่ดีอย่างเงี้ยเราเลยต้องโกรธเออมันจะเป็นอย่างนั้ น, นอยู่เรื่อยแล้วคุณคุณเผลอสติเมื่อไหร่คุณขาดสติเมื่อไหร่เป็นอย่างงั้นทุกครั้งไปต่อเมื่อบอกแล้วถ้าเรามีสติ ได้ถึงสัมโพชงนะคำว่าโพชงเนี่ยถ้าถ้าเราเติมคำว่าสติสัมโพชงเข้าไปด้วยเนี่ยคือสติที่คุณจะตัดสู้สติที่คุณจะตัดสู้ได้เพราะโพชงเนี่ยเป็นองค์ของการตัดสู้แม้คาว่าตัดสู้นี่ก็บางคนก็อะไรล่ะตรัสนี่ก็พูดรู้นี่ก็รู้พูดให้รู้เหรอ แสรูนะถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยถ้าคุณมีสติที่คุณรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้นะทันทีเลยคุณพอโกรธเกิดขึ้นมาปั๊บนี่โอ้โหตายแล้วตายแล้ ว, ลวทําไมเราเราคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคิดอย่างงี้มันมันเลวร้วายสําหรับเราเนี่ทุกสําหรับเราเนี่มันจะคิดถึงตัวเองเนี่ย ก่อนอื่นอะไรอื่นทั้งสิ้นเลยแม้แต่เนี่ยจะไปคิดรักใครชอบใครก็ตามพอมันคิดขึ้นมาตนะทันทีเลยถ้าคุณจับได้โอ้โหตายแล้วตายแล้ ว, ลวคิดได้ยังไงเนี่ยคิดอย่างนี้มันเร็วมันอกุศลมันมมายังเคยพูดให้พวกเราฟังตอนใหม่ๆอ่ะที่ปฏิบัติธรรมที่บ้านแล้วก็ เนี่ยมีคนที่วัดเนี่ยก็ชวนอาตมามาตอนนั้นยังเป็นกัลวาสนะแบบว่าให้ให้มาอยู่วัดหรือว่ามาเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ให้มาเที่ยววัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อาตมาไม่ไม่ไม่ยอมมาไม่กล้ามาแต่ปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติที่บ้านไม่กล้ามาเพราะว่าพอปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยอาตมาบอกได้เลยมันกลัวใจตัวเองเคยเล่าให้พวกเราฟังอยู่เหมือนกัน ก็กลัวว่ามาเนี่ยเดี๋ยวเกิดโอ้โหคนนั้นเราก็ชอบคนนี้เราก็ชอบซวยตายหาครับนี่พูดภาษาแบบว่ามันคิดในใจอ่ะนะมัาคิดในใจตัวเองบอกโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกูซวยตายหาเลยเนี่ยเพราะคือตอนนั้นเนี่ยเราคิดอย่างมาสันติอโศกเนี่ยก็มีเจ็คนเข้ามาถือศีลเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามาทําดีๆกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามาเกิดโอ้โหมันคิดมาลักใครมาชอบใครที่นี่ซวยตายหาเลยจริงๆเนี่ยบาป มาหานรกเลยคิดอย่างนี้จริงๆนะจิตมันกลัวเพราะตอนนั้นปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าใจเอะสภาวะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันกลัวมันกลัวมาอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปรักใครไปชอบใครหรือจะไปโกรธเกลียดชังใครเขาเนี่ยแหละเราจะรู้สึกโอ้โหตายตา ย, ตายบาปนรกกินหัวเราแน่กลัวอย่างนี้อัตมาไม่กล้ามาเลยแต่ปฏิบัติธรรมไงแต่ไม่กล้ามาวัด อามาปฏิบัติจนกระทั่งพอจะมั่นใจตัวเองว่าเออถ้ามันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้ามันเกิดจิตไม่ดีบอกแล้วถ้าคุณฝึกปฏิบัติธรรมมาถูกต้องแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยรับรองว่าคุณจะทําอะไรคุณรู้ตัวว่าจะทําอะไรจะคิดชั่วจะคิดดีคุณรู้ตัวว่าคิดนี่คิดชั่วนี่คิดดีคุณจะรู้ คุณจะแกล้งไม่รู้ยังไงก็แกล้งไม่ได้แล้วถ้าตอนบิชาทิฏฐิอยู่คุณแกล้งได้บางทีรู้นะว่าไอ้ น, นี่ไม่ดีแต่ก็แกล้งแก้งทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กินไปสูบไปเสพไ ป, ไปทำไปคุณแกล้งได้แต่ถ้าคุณปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางของพุทธแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเนี่ยถ้าคุณตรงทางจริงแล้วแกล้งไม่ได้แล้ว คุณหมดสิทธิ์ที่จะมาแกล้งทำเป็นเป็นเฉยๆทำเป็นไม่นึกไม่อะไรเลยทำด้วยจิตว่างๆกูจะแกล้งทำจิตให้ว่างๆแล้วจิตว่างๆสางสุปรีจิตว่างๆกินเนื้อสัตว์จิตว่างๆกินเหล้าเมายาอะไรคุณแกล้งไม่ได้ถ้าสภาวะคุณเข้าถึงอริยสัจแล้วคุณแกล้งต่อไปอีกไม่ได้เลย เนี่ยอันนี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของศาสนาพุทธถ้าคุณเข้ากระแสแล้วคุณหมดสิทธิ์ที่จะหลอกตัวเองคุณหมดสิทธิ์เลยที่จะหลอกตัวเองคุณยังจะหลอกคนอื่นได้แต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้เพราะตัวเองจะรู้เลยว่าอย่างนี้เลวอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำอย่างนี้ดีควรทำอย่างยิ่งมันจะชัดเจนเลยในจิตคุณ เพราะนั้นอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติทางปฏิบัติธรรมถูกทางแล้วนะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้ตัวเองอยู่เนี่ยตามฐานของคุณนะอันนี้ไอ้เรื่องเลวที่มันสูงกว่าฐานคุณเนะี่ยที่คุณยังยังรู้ไม่ถึงอ่ะจิตมันยังไม่ละเอียดพอที่จะไปรู้ถึงอันนั้นคุณยังคุณยังหลอกตัวเองได้และคุณยังทำได้อยู่แต่ถ้ามันเป็นตามฐานคุณถ้าสมมติฐานศีลห้าหรือฐานศีลแปดอย่างเงี้ย ความรู้ตามฐานศีลห้ารู้แล้อย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเพราะงะั้คุณจะมาหลอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชออย่างนี้สิถึงจะถูกออย่างงั้นทีถึงจะผิดคือคุณกลับตะปัสซะคุณแก้งไม่ได้อีกต่อไปเพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมันเข้ากระแสแล้วมันเกิดแล้วคุณทําไปอาจมาถึงบอกว่าคุณทุกครั้งที่คุณทําผิดเนี่ยคุณทําสิ่งที่มันเลวไปเนี่ยนะ คุณทรมานตัวเองทุกครั้งอาตมายังเคยสมมุติว่าโอ้โหมันเหมือนเข็มเลยนะทุกครั้งที่คุณทําไม่ดีเนี่ยเหมือนกับเข็มแหลมๆเล่ ม, หล ม, หล ม, หลมใหญ่ๆเนี่ยมันแทงจึก๊กแทงจึก๊กใส่หัวใจคุณเลยมันจะแทงคุณเจ็บปวดทรมานทุกครั้งไปแล้วยิ่งคุณทําบ่อยขึ้นนะคุณก็โดนเข็มเนี่ยแทงมากครั้งขึ้นเรื่อยๆหัวใจคุณเนี่ยพุนมหมดแหละคุณด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมาน จนลึกไม่รู้แหละคุณจะพยาพยามแกล้งะคุณจะพยายามแกล้งแกล้งจำเป็นว่าเป็นความสุขเหมือนสมัยยังไม่รู้นะเพื่อที่จะทําสิ่งนี้ให้ได้แต่บอกแล้วทุกครั้งที่คุณทําไปไอ้เข็มเนี่ยมันจะแทงแทงทิ่มใจคุณเนะ่ะจะแทงใจคุณไปจนในที่สุดจะคุณเจ็บปวดทรมานจนคุณทนไม่ได้ในที่สุดแล้วคุณก็ต้องเลิกทำอย่างนั้นเพราะมันมีเพียงทางเดียวเท่านะที่จะหายเจ็บปวดอันนี้ได้ คือต้องเลิกต้องงดเว้นจากอันนั้นเรื่องนั้นแล้วคุณก็จะค่อยสบายขึ้นจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยเพราะอันนี้แหละที่พระเจ้าท่านจัดว่าใครเข้าสู่กระแสโสดาบันแล้วเนี่ยฐานศีลห้าโสดาบันถ้าคุณเข้ากระแสอ น, นี้แล้วท่านบอกเที่ยงที่จะตัดสรุปต่อไปเนี่ยจะรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปไม่มีทางอื่นแล้ว เพราะคนอื่นก็หลอกคุณไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณยังหลอกตัวเองไม่ได้เลยแล้วคนอื่นจะมาหลอกคุณได้ยังไงคาว่าหลอกในที่นี้นี่หมายถึงว่าหลอกให้คุณไปพลาดท่าเสียทีกิเลสตัวนั้นตัวนี้นะอสมมุติว่าอย่างเช่นคุณเลิกเนื้อสัตว์มาได้แล้วเนี่ยคุณชัดเจนของคุณแล้วเนี่ยจะมาให้หลอกคุณว่าให้ไปกินเนื้อสัตว์สิดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลอกยางไ้ก็หลอกคุณไม่ได้ เพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ไม่กินแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะนิพพานเลยในในเนื้อสัตว์คุณจะเป็นอรหันต์ในเนื้อสัตว์นั้นเลยสภาวะอย่างนี้ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะคุณไปสำรวจสำรวจสำรวจคราวนี้ลองไปดูซิเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ ในวันนี้หรือในขณะนี้ของเราเรื่องไหนไปสํารวจดูบางคนเรื่องกินนะกินก็คุณก็ต้องไปสํารวจอีกว่าอะไรอะที่เราแย่ที่สุดเลยในยเรื่องกินเนี่ยไปสํารวจเรื่องดูแล้วก็เจาะรายละเอียดลงไปแล้วบอกแล้วว่าคุณจะสบายใจได้ก็คุณก็ต้องงดเว้นในสิ่งนั้นๆบางคนเรื่องการนอน โอ้โห oh, ติดมากเลยหรือบางคนเรื่องอะไรอะเรื่องการงานชอบทำแต่อย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ไม่ชอบทำเลยนะถ้าให้มาทำอย่างเงี้ยขี้เกียจไม่ชอบอเรื่องเสื้อผ้าที่ใส่คุณไปสํารวจดูโอ้โห oh, ติดชอบแต่อย่างงี้ไอ้ส่วนอย่างงี้เฉยไม่เอาไม่ใส่ ไปสำรวจตัวแล้วก็บอกแล้วถ้าคุณเข้าใจชัดเจนสีลห้าอาจจะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าอะไรมากมันจะขนาดหนึ่งเท่านั้นเองอชีวิตความเป็นอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสิลข้อสามมันก็ยังแต่งงานได้เลยอยังแต่งงานมีครอบครัวได้ใช่ไหมแต่ ต้องผัวเดียวนะหรือเมียเดียวนะจํากัดแค่ตรงนี้แต่ในขณนะเดียวกันพอขึ้นไปศีนแปดใช่ไหมศีลข้อสามนีเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเป็นอะไรล่ะข้นนนอากกาาาานี้เปลี่ยนเป็นอะไรจากกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีเปลี่ยนเป็นอะไรอภัมมจริยาเวรมณีข้าวนี้ก็อ้าวเรื่องของคนคู่งดเว้นออกมาละ ดูสันนี้ น, นี่เปลี่ยนขึ้นมาแล้วเห็นไหมพร้นรายละเอียดเนี่ยมันยังจะมีแต่ให้คุณทำให้เหมาะสมกับตามฐานฐานะของตัวเองนะซึ่งเรื่องนี้โอ้โหจะพูดระยะยาวมากเลยมาเคยบอกให้พวกเราฟังว่ามาเคยเทศเรื่องคนหลงฐานไม่ใช่ไม่ใช่ฐานส้วมนะหลงฐานก็เลยอยู่แต่ในส้วมมั้่ หลงฐานนี่คือหลงฐานะตัวเองนะธรรมาก็แบ่งเป็นสามอย่างว่าบางคนเนี่ยตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเตี้ยแต่นึกว่าตัวเองสูงแม้แค่ร้อยสามสิบนึกว่าร้อยหกสิบนะั่เตี้ยแล้วคิดว่าสูงเหม่วนบางคนก็สูงแต่หลงว่าตัวเองเตี้ย เนี่ยก็มีหรือบางทีทเท่าๆกันกับเขาเนี่ยแต่หลงว่าสูงกว่าเขาหรือต่ํากว่าเขาหลงได้เหมือนกันจริงๆแล้วมันเท่ากันแต่ไปหลงว่าตัวเองเนี่ยเท่ากับเขาหรือว่าสูงกว่าเขาหรือว่าเอ้ไอ้ไม่หลงว่าเตี้ยวกว่าเขาหรือว่าสูงกว่าเขาซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่เข้าใจฐานะของตัวเองชัดนี่นะการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ตรง ไม่ตรงกับความพอดีพอเหมาะของพละกำลังในการที่คุณจะสู้กิกเลสของตัวเองมันจะไม่ตรงแล้วบางทีมันทำไม่ได้ถ้าคุณหลง ค, คุณคุณฐานต่ำแต่คุณไปหลงสูงนะเวลาพอคุณไปปฏจจิบัติจริงๆเข้าฝืนตัวเองมากเกินไปจนกระทั่งไม่ไหว พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ในที่สุดก็ตกลงมาจะตกลงมาเพราะว่าความจริงเนี่ยมันมันเตี้ยอยู่แล้วเอเพราะจะตกลงมาเลยพวกนี้จะตกลงมาให้เห็นของจริงเพราะของจริงก็คือของจริงอะ่ะมันหนีไม่พ้นความเป็นจริงแต่บางคนนี่สูงแต่หลงว่าตัวเองเตี้ยใช่ไหมพวกนี้ก็จะแบบว่าปฏิบัติสบายเกินไป ตั้งตาบ้ายนั่นตั้งตาบานี่ตั้งมันเตียเต้ยๆพอเพราะคิดว่าอุ้ยฉันแค่นี้พอแล้วฉันไม่เก่งอะไรหรอกคืนทํามากกว่า น, นี้เดี๋ยวฉันแย่วันฉันเอาแค่นี้พอพวกนี้ก็ตั้งตาบะหรือว่าถือศีลแบบช น, นี้เทียกว่าเอาสบายเขาว่าก่อนวนพวกนี้จะไม่ไม่ค่อยลําบากไม่ค่อยอะไรหรอกแต่พวกนี้จะเนิ่นช้าพวกเนี้ย แทนที่บางทีอะไรอ่ะชาตินี้บรรลุธรรมไม่รู้ชาหนาหรือชาติไห น, ไหนถึงจะบรรลุได้พบไปหลงเตี้ยซะเองหลงนี่มันหลงข้ามชาติเลยนะยิ่งโดยเฉพาะก่อนตายเนี่ยแหละตัวสำคัญเลยคนที่หลงว่าตัวเองเตี้ยเนี่ยนะก่อนตายเนี่ยนะมันจะอันนั้นเลยบางทีเผลอเนี่ยมันมันเหมือนกับตั้งจิตไว้เลยว่าเออ ข้อนี้ขอให้เราได้อย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, าง น, างนี้คือมันก็ขอเตี้ยๆไว้อคุณรู้หรือเปล่าไอ้เตี้ยๆนี่คืออะไรขอให้รวยขอให้หรอขอให้สวยขอให้เก่งนี่นี่คือเตี้ยเตี้คือโลกกระทำทั้งหลายไอ้โลกกระทำที่คนติดคนหลงเนี่แหละพวกนี้คือของเตี้ยเต้เพราะฉนั้นยิ่งก่อนตายเนี่ยโอ้โหบางทีขอให้ได้พวกเนี้อาจจะขอว่า โอ้ห oh, ชาติหน้านี้เราจะแบบว่าขอให้อะไรนะเป็นพระอรหันต์ขอให้ตัดกิเลสได้กิเลสตัวไหนที่มีเนี่ยเราจะลดให้เกลี้ยงให้หมดไม่ให้เหลือโ oh, อ้หายากหายากอันนั้นเอาอันนั้นสูงหวังสูงแล้อแต่บอกแล้วอันนี้คนที่หลงฐานเที่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วจะได้ไหม เขาหวังสมมติว่าหวังให้สุขหวังให้ร่ำรวยหวังให้อะไรมีชีวิตอยู่แบบสุขสบายคนที่จริงๆเนี่ยฐานสูงละแต่ไปหวังเต้เตี้ยอย่างเงี้ยถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยคุณว่าเขาจะได้ไหมได้สิได้จริงจริงด้วยอันนี้พู้เจ้าทาั้งกระตาไว้คนนี้ก็ได้จริงๆนะเพราะเพราะอะไรนะเพราะหน่วยกิจมันเกินหน่วยิจมันเกินแล้วมันได ก็ไอ้สิ่งเหล่านั้นหน่วยกินมันตำตามเองอะเหมือนกับที่เขาเอนเนี่ยสมัยก่อนเขาเอ็นทรานใช่ไหมถ้าคุณสอบได้คะแนนสูงกว่าไอท้ที่ที่คนอื่นๆเขาอะที่ที่เขาไอ้นั้นเอาไว้อะนะหมายถึงว่าเขาก็ต้องมามาวัดกันใช่ไหมถ้าคุณเนี่ยเก่งอะคุณสอบได้คะแนนสูงอยู่แล้วคุณเลือกคณะที่คุณจะเข้าเนี่ยไอ้คณะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย คนสอบได้แค่นี้ก็ได้แล้วแต่ปรากฏว่าจริงโหคุณเก่งมากนะคุณสามารถสอบได้คะแนนสมมุติว่าคะแนนเก้าสิบคุณสามารถสอบเก้าสิบนะแต่ไอ้ส่วนใหญ่คนที่สมัครเข้าคณะเนี้จริงๆเนี่ยห้าสิบมันก็ได้แล้วเก่งที่สุดของไอ้คณะเนี้แต่จริงจริงคุณต้องเก้าสิบละเพราะให้คุณไปสอบเนี่ยคุณจะติดแห่คณะเนี้ยมันติดแงะอยู่แล้วแต่เนี่ยแหละผู้เจ้าบอกเนี่ยสวยหมาสวย มันก็จะได้ต่ําอยู่อย่างนั้นน่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะขยับสูงขึ้นมาได้เนี่ ย, ยสำหรับคนที่หลงหลงฐานต่ำนะอันนี้ฝากให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นกิเลสบางตัวของเราบางคนเนี่ยไปหลงฐานต่ําก็คือคิดว่าเราคงสู้ไม่ได้อะเราคงสู้ไม่ไหวเราก็ไอ้ไอ้นี้ก็อย่าเพิ่งสู้เลย ไปสู่อันอื่นก่อนที่มันคิดว่าจะง่ายๆนะคือแม้ไ ม, ไม่ไม่คิดไอ้นั่นบ้างเลยนะที่จะแบบว่าขยับให้มันสูงขึ้นให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นไปอะ่ะแม้คือไม่หวังไม่หวังสูงขึ้นไปบ้างแล้วหวังแต่ต่ําๆอยู่เรื่อยอะ่ะเนี่ยอย่าไปหลงแต่ให้ตัวเองต่ําเพราะนั้นบางทีเออขี่ความสามารถเราอาจจะมากกว่านั้นก็ได้มันทดสอบทดลองได้นี่ ถ้าทดสอบทดลองแล้วเนี่ยเออมันยังขึ้นไปไม่ไหวจริงๆเราก็จะได้รู้ความจริงตัวเราเองด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่หลงฐานต่ำเนี่ยทั้งทั้ที่ตัวเองสูงเนี่ยอาตมาบอกแล้วมักจะติดสุขสบายพอติดสุขสบายเนี่ยมันมันไม่อยากที่จะอะไรอะไปลำบากที่จะไปเพิ่มตะบะหรือว่าไปเพิ่มศีลให้กับตัวเองเพราะนั้นมันจะไม่ยอมขยับขึ้นไป เพราะกำลังสบายแล้วนี่ส่วนพวกไฟสูงอะไรนะเกินหัวอ่ะ <c oughs> เกินอะไรนะรายได้ต่ำรอสยมสูงอ่ะ <c oughs> แบบประเภทนั้นอนะ่ะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันแต่บางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะเป็นประเภทไหนมันก็ต้องลองเหมือนกันบางครั้ง ลองแล้วก็ตรวจสอบตามความเป็นจริงว่าเออไหวหรือไม่ไหวจริงไหมฮ้อนบางครั้งเนี่ยเราก็แหม่มก็ต้องหวังสูงบ้างอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมไงแต่เราก็ต้องขยับขึ้นมาดูบ้างว่าเออไหวไหมเอาหน่าลองดูนะ่าลองตั้งดบับบาสนี้ดูซิเล่นงานกิเลสตัวนี้ดูดูสิเราจะชนะได้ไหมหรือสิบครั้งเนี่ยจะชนะได้สักกี่ครั้งเนี่ยมันต้องลองสู้ดูละ เพราะว่าคนเราจะรู้ความจริงได้เนี่ยไม่ใช่รู้ได้ด้วยความคิดนั่งคิดเอาแล้วก็รู้ไม่มีทางอะยากแล้วอย่างงั้นน่ะหลอกตัวเองได้เก่งด้วยเพราะมันต้องรู้ได้ด้วยภาษาเลยรู้ได้ด้วยพฤติกรรมนะกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยเอามาตรวจสอบเลยเพราะนักปฏิบัติธรรมที่จะรู้ความจริงของตัวเองได้เนี่ยต้องมีภาษาเป็นปัจจัยจริง และนี่ก็เป็นหลักการของาศาสนาพุทธที่จะทําให้รู้ตัวเองได้จริงว่าตัวเองเนี่ยควรอยู่ในฐานไหนแล้วคุณจะเข้าสู่มัชชิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางคุณก็จะต้องเออไอต่ําเราก็ลองสู้มาแล้วเออเราก็ชนะนี่ไอสูงเราก็สู้มาแล้วคือคุณก็สู้ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งคุณสู้ไม่ไหวอ่ะคุณก็รู้ละไ อ, อนี่เกิดละไ อ, อนี่จะเกิดแล้ว มันถึงสู้ไม่ไหวเพราะนั้นข่าวเนี่ยจุดต่ําคุณก็รู้ใช่ไหมจุดสูงของคุณคุณก็รู้เพราะนั้นคุณจะรู้ตัวเองแล้วว่าความพอเหมาะพอดีของคุณอยู่ตรงไหนเพราะต่ําคุณก็รู้แล้วอี่กี่ความสามารถตัวเองรู้แล้วเพราะนั้นเราจะปฏิบัติลดละกิเลส ต, ตัวเราเองขนาดไหนคุณจะชัดตัวเองเลยพ่เฮ้ยขนาดนี้ทำได้ไม่หนักเกินไปอะออขนาดนี้อุ้ยขนาดนี้เป้า ง่ายกล้วยมากเลยไม่ใช่กล้วยฟ้าดินนะอันนี้กล้วยกล้วยในกิเลสเรา เ, ออเราดูแล้วโอ้สบายมากอย่างนี้สู้กิเลสวันนี้ได้สบายมากแล้วเพราะรู้ตรงนี้แหละคราวนี้เนี่ยคุณจะไปประเมินได้เวลาเจอกิเลสขนาดไหนยังไงคุณจะปฏิบัติได้พอดีพอเหมาะกับตัวเองนะโดยเฉพาะกับตัวเองเนี่ย คุณจะปฏิบัติได้ทางสายกลางให้กับตัวเองเนี่ยชัดเจนขึ้นยิ่งคนอื่นคราวนี้คุณก็จะเดินสะทางสายกลางให้กับคนอื่นได้พอดีขึ้นด้วยเพราะเราเป็นคนมองตามความเป็นจริงแลวคราวนี้ไม่ใช่มองตามใจคนอื่นเขามีขีดความสามารถขนาดไหนนะเขาขี้โกรธแล้วเราก็รู้ว่าคนนี้ขี้โกรธเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ไม่ไปโกรธกับเขาด้วยละ ก็คุณคุณจะรู้คนที่ขี้โลภคุณก็จะรู้คนที่ขี้โลภตามความเป็นจริงแล้วคุณก็ไม่ไปเกลียดชังอะไรเขาด้วยแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออกับคนขี้โกรธกับคนขี้โลภเนี่ยคุณควรจะทำตัวกับเขาขนาดไหนที่ทำให้ก็ก็อยู่กับเขาได้หรือบางทีต้องทำงานด้วยกันด้วยซ้ำไปอย่างนี้แหละเพราะนั้นที่พระเจ้ทาท่านตัดสรู้แล้วท่านก็พยายามที่จะให้พวกเราเนี่ย เดินทางสายกลางเนี่ยก็คือสายกลางแบบนี้อ่ะวันนี้ถ้าใครพอจะเข้าใจตรงนี้ได้อธนนิมาว่าจะใช้ประกอบการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยได้ดีขึ้นน่าจะชัดเจนตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นอ่ะวันนี้ของพอทอนนี้